สวรรค์อันเกิดจากการเจริญสติจะทำโดยรอบครัวชายยศชนละทอนบุญเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติพุทธศาสนาอุบัติขึ้นเพื่อแจกแจงว่าการเจริญสติเป็นการขัดเกลากิเลส ข, ขั้นสูงสุดเพราะเหนือกว่าการขัดเกลวด้วยการให้ทานเพื่อทำลายความตรณี และเหนือกว่าการขัดเกลาด้วยการรักษาศีลเพื่อทำลายความสกปรกเพราะมีจุดมุ่งหมายในการทำลายความหลงผิดอันเป็นต้นเขาของบาปอากุศลทั้งปวงเป็นชาวพุทธจึงควรตั้งความปรารถนาสูงสุดไว้ที่เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานั่นคือบรรลุมรรคผลเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ด้วยการเจริญสติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าประธานไว้ให้ใครที่ยังไม่พร้อมจะละกิเลสไม่พร้อมจะละความน่าชอบใจในโลกมนุษย์ก็อย่าเพิ่งสะดุ้งตกใจว่าจะให้เอาอย่างนั้นเลยหรือขอให้คิดว่าการเจริญสติคือการค่อยๆทำกิเลสให้เบาบางลงมีแก่ใจให้ทานมากขึ้นมีใจจริงรักษาศีล ร, รักธรรมะยิ่งขึ้น เพื่อมีความเป็นผู้คู่ควรกับสวรรค์อันประณีดและอายุไขัยที่ยืนยาวขึ้นตัวอย่างของเหล่าเทพพยายดาต่อไปนี้คงสนับสนุนได้อย่างชัดเจนว่าการเจริญสติช่วยให้ได้ดีบได้ดีอย่างไรตัวอย่างแรกคือเรื่องทาสีวิมานเป็นบทสนทนาระหว่างพระโมคคัลลานเทระกับนางเทพธิดาตนหนึ่งความว่า นางเทพธิดาเอ่ยเธอเป็นผู้ถูกแวดล้อมด้วยเหล่าบริวารคือหมู่นางเทพนารรจำนวนมากเที่ยวชมไปโดยรอบในสวนจิตตาละดา ว, วันอันน่ารื่นรมทำให้อากาศทุกทิศทุกทางสว่างสวราวกับประดับด้วยดาวประกายพรึกเหมือนเธอเป็นเท้าสักกะเทวราชก็ไม่ปานที่เป็นเช่นนี้เพราะกรรมอะไรบุญใดรที่เธอได้สมบัติอันเป็นทิพน่าชื่นใจเห็นปานนี้ พระคุณเจ้าครั้งเป็นมนุษย์ข้าเกิดเป็นนาง่านรับใช้อยู่ในตระกูลหนึ่งซึ่งห่างไกลาจากบ้านเดิมแต่ข้าน้อยก็ปฏิญาณตนเป็นอุบาสิกาของพระสมณโคโดมผู้เลิศล่าข้าเพียรรักษาศีลใส่สใจในการเจริญสติอยู่เป็นเวลาสิบหปีมีธรรมะอันเป็นฝากฝ่ายแห่งการตรัสรู้สสิบประการเป็นเครื่องประกอบความเพียรและถึงแม้กายมนุษย์จะแตกดับไปแล้ว ข้าก็ยังคงเพียรอยู่ในธรรมะอันเป็นฝากฝ่ายแห่งการตรัสรู้สาประการคือโพธิปักฉิยธรรมนั้นไม่ขาดสายขอให้พระคุณเจ้าดูผลแห่งการเจริญสตินี้เถิดว่าเป็นความเกสมอันยิ่งปานใดด้วยบุญแห่งการเจริญสติข้าน้อยเป็นที่โปรดปรานของพระอินคุ้นเคยกับเท พ, พบุตรอาทิเช่นอลลัมภะคคมะและเหล่าเทพทิดาเน้อน้อย อาทิเช่นวีนาโมโขขานันธาบรร ด, ดานางทั้งหลายบำเรอ ด, ดนตรีทิพย์ให้ข้าเพลิดเพลินอีกทั้งยังมีนางเทพอักษรอาทิเช่นเอณิปัสสาสุปัสสามุทุ ก, กาวัถีมาประละวประโลมด้วยคำเสนอว่าจะฟ้อนรำขับร้องให้ข้ารื่นรมนี่คือผลของบุญที่ข้าประกอบไว้แล้วคาเดราเริงบันเทิงอยู่ในสวรรค์อันจะไม่ได้แก่ใครที่ไม่ได้ประกอบบุญไว้เป็นอันขาด สรุปแล้วการเจริญสตินับสิบ ป, ปีบนโลกมนุษย์ถึงแม้ไม่สำเร็จมรรคผลขั้นสูงสุดก็ได้ไปสำเริงสำราญบนสวรรค์ก่อนจะหมดเวลาแล้วลงมาทำความเพียรกันต่อในโลกมนุษย์เรื่องของอดีตนางาธาตุนี้แสดงให้เห็นด้วยว่าแม้เคยมีฐานะต่ำต้อยอยู่ในโลกมนุษย์แต่เมื่อประกอบบุญอันสูงสุด ก็แปลสภาพเป็นนางฟ้าผู้มีศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้าใครขนาดเป็นคนสนิทของเจ้าครองพิภพเทพระดับพระอินได้แค่กระโดดข้ามเส้นแบ่งแห่งความตายไปไม่กี่วินาทีเท่านั้นอีกประการหนึ่งนักเจริญสติหลายคนสงสัยว่าที่ฝึกปฏิบัติกันในโลกมนุษย์หากหมดเวลาเสียก่อนยังไม่ทันได้มรุมาตผลขั้นสูง จะไปเจริญสติกันต่อบนสวรรค์ได้ไหมเทพธิดาอาดีตนางทาตก็บอกไว้ชัดว่าได้อันนี้เป็นธรรมดาของผู้สามารถเห็นกายใจโดยความเป็นอนัตตาแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนพบใดก็เห็นต่อได้หมด